เราก็นั่งดูแลกายใจของเรากันต่อก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ได้ดูกันด้วยตาเนื้อกันดูตัวเองต้องดูด้วยตาในสติปัญญาความรู้สึกตัวมาเห็น กายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเป็นอาการที่เกิดกับรูปกับ น, นามนั่งเจ็บปวดเมื่อยเคลื่อนไหวกระทบสัมผัสรู้สึกหรือว่าคิดนึกปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆปรากฏเป็นปัญญากะก็รู้สึกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปุถะธรรมลม ซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดในปันาทียิบเลยว่าใช้กายใช้ใจใช้วาจาของเราให้เหมาะกับการงานให้เหมาะกับกาลเทศะอันนี้เรียกว่ากรรมนิโยเป็นเรื่องของสติระลึกได้ เป็นสมาฮิโตแนวแน่มันคงเมื่อไต่ตองดำรีแล้วปักหลักแล้วสำเร็จแล้วถ้าแข็งก็แข็งนี่งกเพชรถ้าอ่อนนยอ่อนโยนยังกําไม้ถ้าเมตตามันก็ไม่ประมาณเป็นอมัญยานะมันเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็สรพสัตว์สระสิ่ง นแนวแน่มันคงปักหลักปักฐานเลยถ้าฝึกสติปัฏฐานในน้นำเกิดกันมันก็ปักเลยทําอะไรมันก็นแน่วแน่มีความสําเร็จเป็นฤทธิ์เป็นเดชพอสมควรเป็นคุณเป็นประโยชน์เกิดความบริสุทธิ์บริสุทธิโตเป็นความบริสุทธิ์ทําอะไรเป็นความผ่องแผ้วไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไร ทำแล้วก็แล้วไปไม่เสียใจในภายหลังไม่มีการาไม่น่าเลยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้ไม่น่าเลยมันแล้วก็แล้วไปอันนี้มปนเรื่องของความรู้สึกตัวทั้งหมดเลยเจอหน้าคนเป็นสิ่งใหม่คนใหม่ปัจจุบันกันนะ่ะมันไม่มีการถือโทษโกรธกันแล้วก็อาฆาดพยาบาร์จองเวรจองกรรม เป็นศัตรูขั้วรืมันไม่ใช่มันก็เหนกันระหว่างคนลักคนจางมันมีค่าเท่าเดิมคือเห็นเป็นวัตทุกรวมธรรมนามธรรมเป็นหน้าผากกายาอาการที่เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นสัพสัตสัพสิงเป็นวัตถุอาการปรรมมัดอย่างเงี้ยมันย่อมเกิดปัญญาชนนี้กับผู้ปฏิบัติ มีสติแล้วแลอยู่มีสติแล้วแลอยู่เป็นฌานที่สูงสุดเมื่อกี้เราเพ่งสวดกันไปในระยะมรรคเมองแปดสัมมาสมาธิมีสติแล้วแลอยู่ที่แรกก็มีปิติมีปีความสุขมีวิตกมีวิจารมันเกิดขึ้นมาเมื่อกคตาอารมณ์เต็มหนึ่งเดียวแน่ๆมันมีเขามันอยู่ในความรู้สึกตัวเนี่ย จะนั่งท้ายสุดมันจะต้องมีเลยมีสติแล้วแลวอยู่แต่ถ้าดำรีก็เข้าไปเกี่ยวข้องทําไม่ดำรีเราก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องมันอยู่ที่เจตนาดำํำรีว่าเห็นประโยชน์หรือไม่ดำํำรีไม่เข้าใกล้ว่าเห็นเป็นโทษมันก็จะเกิดขึ้นมาขณะที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละมันไปทางนี้เลยมรรคผลเป็นมรรคเป็นผลเป็นความปกติ มันก็จะเกิดขึ้นมาเพราะว่าเรามีก้อนธาตุก้อนธรรมกันอยู่ก้อนธาตุสี่ก็คือร่างกายของเราตอนนี้มันหนาววความร้อนธาตุไฟมันลดลงมีการกดทับหยาบๆมันก็เรียกว่าธาตุดินลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในช่องว่างลมเบื้องบนลมเบื้องล่างมันมีอยู่ท่า น, น้าก็าแชะแชอากาศเย็นน้ำมุมก็ไหล ปวดไปมันก็คลายคอเส้นหายเสลด์มันก็มีอาการของมันบอกเราอยู่การเกรงการคลายกันขยับขับเคลื่อนกาะทัดลมทัดน้ำเอ็นกระโดดอะไรต่างๆทัดดินสีอันจัดสีสันดาบกันก็กลายเป็นทุกข์มันก็เห็นอยู่มีการออกกําลังกายการเตืงการหย่อนการเปลงการคลายเสียสีกันสันดาบกันมันก็ร้อนเหงื่อแตกเหงื่อซึมขึ้นมา มันตึง น, น, นานๆมันเคร่ง น, น, นานๆมันเครียด น, น, นานๆมันก็เป็นทุกข์มันก็บอกเรงการเจ็บปวดเมื่อยต่างๆนี่มันคือก้อนธาตุชัดๆเลยเรามีสภาวะธรรมที่จิตของเรามันมีนามธรรมทีม่นแสดงตัวออกมาเป็นนารมณ์เป็นการคิดการฟุ้งการปรุงการแต่งถ้าหลงเข้าไปมันก็เป็นทุกข์ ถ้าดูอยู่ก็เป็นธรรมชาติเป็นปกติของสภาพธรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกันด้วยเหตุและปัจจัยเราเห็นว่าขันห้ามบริสุทธิ์เมื่อเราดำริยิมมาใช้ก็เกิดประโยชน์เกิดคุณค่าถ้ามีสติถ้าตาขาดสติมีความหลงเมื่อเกิดกรรมขึ้นมากระทบกระเทือนกระแทกกายว่าเราทุกข์ถ้าตาว่าเราใช้กายวาจาใจของเรา นะกระแทกแตะคนก็มีทำมากเขาก็ไม่ได้ทุกนะะขันห้ากระเทือนแต่ไม่ได้ทุกมันมีมันอยู่ก็กระแทกมาเขาพูดมาเขาแสดงออกมามันก็กระแทกใจเราเหมือนกันมันก็ขยับมันก็กระเทือนแต่ว่าไม่ได้ทุกนะมันรู้เท่ารู้ทันตงี้มีหรือเปล่าผมต้องการปฏิบัติมีสติแล้วแลวอยู่มันก็จะเห็นสภาวะผู้ดูนั่นแหละ ดูไล่เห็นเห็นเราไม่เข้าไปเป็นนั่นแหะชัดเจนถ้าเราเคลื่อนมือได้แต่ละจังหวะแต่ละจังหวะนะเคลื่อนมือได้นะมันก็เห็นการเคลื่อนไหวแต่ถ้าใจของเราไปตามแรงกระแทกของมือเคลื่อนไหวมันก็เครียดนะแค่นี้มันก็เป็นคําตอบเบื้องต้นแล้วต้างหลับกรรมฐานมือใหม่ว่าจิตใจของเรามันเดินทางพัฒนาภาวนาอยู่ระดับไหนปฏิบัติธรรมมันก็ต้อง เห็น <H en> ธรรมปฏิบัติธรรมมันก็ต้องสัมผัสธรรมปฏิบัติธรรมมัต้องกลับมาหาธรธรมชาติเดิมๆนะั่นมันก็คือความรู้สึกตัวนี่แหละรู้สึกว่าสุขมันก็รู้สึกรู้สึกว่าทุกข์มันก็รู้สึกรู้สึกว่าไม่สุขมันก็ไม่สุขรู้สึกว่าไม่ทุกข์มันก็ไม่ทุกข์มันก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นตัวทั่วสารพรางกายของเรานะีมันรู้สึก ทั่วภายในจิตใจของเราเรีว่ารู้รอบกองสังขารการที่เราจะรู้รอบกองสังขารการยยสังขารเนี่ยยังรู้ไม่ได้เลยติดตามสังขารเนี่ยโหยิ่งไววันหนึ่งเนี่ยเราคิดนักวยศาสตร์บอกไว้ชัดว่าไม่น้อยกว่าถลายหกหมื่นะร 60, เรื่องหกหมืนนไม่น้อยกว่านะทีนี้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องคือพบหนึ่งชาติหนึ่งอะ เราจะมองว่าเกิดตายเกิดตายเกิดตายแต่ละมองขณะที่เรารู้สึกที่กายข้างหนึ่งมันกลับมาหาสู่ธรรมชาติปกติข้างหนึ่งในขณะที่เพลิดคิดข้างหนึ่งอคิดเรื่องอะไรล่ะเรื่องอยากล่ำอยากรวยอยากมั่งอยากมีเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องดินตาสันเสรนมีลาบเสื่อมลาบมีอ่ายศเสื่อยมยศมีสุขมีทุกเนี้ยก็คือเรื่องของคามกรินเกียรติ เป็นของวัตตาสงสารเพราะเสพจึงติดเพราะติดจึงอยากเพราะอยากกิงเสพนี่เป็นวังวนเป็นแรงดึงดูดเป็นกับดักของอีเลเนี่ยมันก็อยู่ในความคิดทั้งหมดแค่นี้แยกไม่ออกแล้ไม่รู้ทำอะไรกันแล้วปฏิบัติธรรมอะระหว่างความคิดกับตัวหนึ่งระหว่างความรู้สึกที่กายกับตัวหนึ่งนะถ้าแยกตรงนี้ยังไม่ออกน่ยมันก็ยังไม่เดินทางไปไหนทั้งนั้นแหละมันก็ยังมีละแต่ความมึนมืดทึบอยู่เงั้นนะเรียกว่า ทำแล้วก็ไม่ได้อะไรประเภทนี้ดูได้ทันทีแล้วก็สามารถที่จะสัมผัสได้ทันทีเหมือนเราแน่ๆว่าทำโดยที่ไม่มีความจริงใจทำโดยที่ไม่มีเจตนากระทำเมื่อไม่มีเจตนาทำกรรมฐานเจตนาพลิกมือรู้สึกยกมือรู้สึกเจตนาที่จะรู้ลมหายใจเข้ารู้สึกออกรู้สึกไม่ได้มีเจตนาที่จะเดินไปไหนรู้สึกรู้สึก อันนี้ก็เรียไม่ได้มีเจตนาที่จะทํากรรมฐานไม่ได้มีเจตนาที่จะปฏิบัติธรรมเมื่อมันไม่มีมันก็เหมือนคนที่ไม่ได้มีเจตนาจะทํางานทําการอย่างรู้จริงเนะมืม่อไปทํางานอย่างรู้จริงไม่มีได้มีวิชาความรู้แล้วไปทํางานมันก็ไม่มีทางหรอกที่คนนี้จะให้ค่าจ้างให้กําไรก็ไม่อุดหนุนน่นนะอันนี้มันก็เห็นได้ชัดจากชีวิตของคนถ้าล้มเหลวเรื่องการทํางาน ใดๆก็ตามตั้งแต่การเรียนก็ไม่สำเร็จหรือว่าทำงานไม่ได้เข้าโรงเรียนแต่ว่าทำงานก็คนก็ไม่ยอมรับอันนี้กรรมาฐานก็ะช้เหมือนกันนะคนประเภทนี้ก็เรียกคนโง่มันก็เห็นอยู่มันจะมีอาการงงส ง, ง, งสยัยเบลอเงินงุน่ม ง, ง, งามทำอะไรก็วอวยอายนะหันลีหรรันกวาเงินลังเลกลัวว่าถูกหลอก ประเภทสงสัยทําให้หมดกําลังในประเภทเนะั้นศรัทธาไม่เกิดจะพูดขนาดไหนมันก็ไม่เกิดหรอกศรัทธาจะพาทํามันก็ไม่ทําเพราะคนไม่ศรัทธาจะคันจะนําไปทํามันก็กลัวถูกหลอกเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างเช่นเคยมัได้ยินได้ฟังะหลวงพ่อมหาไหลนะเล่าให้ฟังหลวงพ่อมหาไหลนี่ท่านจบเปลี่ยนเก้าประโยค เป็นคนที่รู้มากเรื่องของอตํารับตําลามานะรู้จริงๆจนกระทั่งได้รับพระราชทานพัดยศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพรณ ด, ด, ดุลยเดชนะเนะสร็จแล้วท่านไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นพระธรรมทูตท่านไม่ได้มีศ ร, รัท ธ, ธาเลยใครท่านก็ไม่เชื่อนะพระท่านนี่เปลี่ยนกล้าวยกนะแล้วแถมไปอยู่ เป็นพระธรรมทูตเกรดเด้วยไปสหรัฐอเมริกาถือว่าเกรดอนะทีนี้พอไปสอนธรรมที่นั่นลูกศิษย์ไปด้วยปฏิบัติแนวหลวงปู่เทียนเพราะว่าหมอคงศักนะเอาหนังสือไปเอาเทปเอาสือไปให้พระสองรูปนี่แหละศึกษาแนวทางปฏิบัติของหลวงปู่เทียนจีลาโป มหาสมใจเป็นพระน้อยๆไปเป็นพระเลขาว่างๆอ่านหนังสือเป็นภาษาไทยมันฟังง่ายหนังสือไทยมันแปลกๆดีเออมันก็น่าอ่านก็อ่านค่าเวลานี่ยแหละดูสื่อก็ดูค่าเวลาดีว่าอยู่เฉยๆพอทําตามที่ตัวเองได้อ่านได้ฟังตามสื่อนะ ทำเล่นๆไปเอาสื่อเป็นครูบาจารย์ทำเล่นๆมันเกิดการวางใจขึ้นมาแต่พอดีมีความเป็นกลางเกิดความสมดุลความเป็นปกติมืนกับปรากรดนะมาหาสมใจเนี่ยคิดถึงแม่เลยโอ้อย่าไปบอกเรื่องนี้กับแม่กับพ่อคนที่เป็นลูกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ถ้ารู้สิงใดเนี่ย หรือว่าสัมผัสกับสิ่งใดที่เห็นว่ามันมันเป็นความสุขเป็นประโยชน์นะมันนึกถึงซึ่งกันและกั น, นะพ่อแม่น่ยลองกินของอะไรอร่อยๆนะมีอะไรอร่อยๆนึกถึงลูกลูกก็เหมือนกันยังอะตาแม่ น, มนะนะเวลาเห็นอะไรอร่อยอร่อยมันนึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงเลยภาพมาทันทีหรือบางทีนึกถึงลูกทันทีก็มีลูกสามคน ลูกชายสามคนนึกถึงมันโปกติถ้าเจอของดีๆนะจะซื้อไปฝากหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่คุณธรรมมันมีอยู่ก็เห็นแล้วก็จะนึกถึงเขาโออย่างเงี้ยบางเป็นลั่นนะของพ่อไก่กอไข่แม่ไก่กอกไข่นั่นแหละมีอะไรดีๆกุ๊กกุ๊ก๊กุกกก๊นึกถึงรูปนึกถึงคนที่รักเราที่เรารักมันเป็นอย่างนั้น มหาสมชัยเมื่อสัมผัสกับธรรมะก็นึกถึงออพ่อแม่ก็ขออนุญาตกลับมาเมืองไทยนะนะทีนี้หลวงพ่อมหาไหลก็าถามทำไมเรามาสารัฐได้กันไม่กลับพร้อมกันจะรีบกลับไปทำไมเมืองไทยท่านก็ตอบกลับว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงผมไม่ตายไปแล้วก่อน ตอนนี้ผมรู้อยากไปบอกแม่ผมอ่ะอย่าไปบอกพ่อของผมแม่ของผมที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เมืองไทยนะผมขอญาตกลับหลวงพ่อมหาไหลก็จำน้นจนทั้งท้ายสุดเอ้มันต้องมีอะไรเปลี่ยนไปนะลักษณะของมหาสมชัยแกก็เปลี่ยนไปท่าที่สัมผัสนะก็คือสงบสงี่ยมแล้วก็รู้สึกว่าเย็นนะซึ่งหลวงพ่อมหาไหลัยก็แปลกใจอยู่ <c oughs> ก็กลับมาดูสื่อปรากฏว่าทำตามก็เกิดความอายขึมเปลี่ยนกล้าประโยคขณะที่เคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยรู้สึกว่าอายพอมีความรู้สึกอายก็ไม่ทำแต่ก็เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในคนคนนี้ยก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยก็ฝืนใจทําไปจะนั่งหลวงพ่อกำเขียนนี่แหละท่านไปประเทศสหรัฐอเมริกาหมอคงศักดิ์นิมนต์ไป พอไปประเทศสหรัฐอเมริกาได้สัมผัสกับหลวงพ่อมเขียนปั๊บท่านกลับมาเมืองไทยเลยมาอยู่ที่นี่แหละกดที่อาจารย์สุลินภร์ักอยู่ทุกวันเนี่ยกดเจดอ่าไม่ใช่ขอภยัยกดสามเสร็จแล้วท่านก็ตั้งออกตั้งใจไปบัติอย่างมากเดี๋ยวนี้ท่านอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะไม่กลับไปอีกเลยอันนี้เป็นครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีมากเปลี่ยนก้าวระอยคในเมืองไทย มีหลวงพ่อมาหาอะไรอีกรูปหนึ่งแล้วเจ้าคุณยงยศอีกรูปหนึ่งวัดพนนจักสีแล้วมีเจ้าคุณอะไรเที่ยงเทพนะอีกรูปหนึ่งอันนี้ประกาศทำได้อย่างอาจหาเลยมันเป็นจริงๆวิธีการหลวงปู่เทียนเนี่ยมันทําให้เข้าถึงมรรคผลที่พ่านจริงๆมันไม่ใช่เปเรียนจากหนังสือตํำรับตําราอะไรมันเป็นการสัมผัสเลยอาการของรูปธรรมนามธรรมนะแล้วก็มีการประชุมอีกครั้งหนึ่งหลายๆศาสนามารวมกัน หลายๆวิธีการมารวมกันการนี้ลักษณะของหลายๆวิธีการมารวมกันเนี่ยมันก็จะมีจากหลายๆ ป, ประเทศนานาอารยประเทศมารวมกันต่างชาติก็มีฝรั่งนะครับพูดออกมาเลยว่าศาสนาคริสตเนี่ยนะเอออันนี้ยอมรับได้เลยไอ ย, ยกมือสิบสี่ก็พูดเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องโง่โงด์หลงงมไ ง, งหรือว่าหลอกกันเลยิลี่ปฏิหารเรื่องชาตินี้ชาติหน้าหรือว่า พิธีกรรมต่างๆหรือว่าเป็นลักษณะของการทําบุญทําทานเรียอะไรกันนะไม่มีเลยมาถึงนะบอกกันเลยคุณทุกขนะ์อยู่ที่ความคิดเมื่อความทุกข์อยู่ที่ความคิดมาสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวนะเออนี่ยอมรับได้ไม่ได้ต้องไปทําทานแล้วก่อนนะหมดเท่านั้นเท่านี้ถน้นไปสวรรค์นะเสร็จแล้วนี่ต้องมีศาสนาพิธีนะจนะต้องผ่านการ รับศีลห้าศีลแปศีลสิบแล้มีการบวชกันไม่ได้พูดแต่พูดถึงว่าใครก็ได้เมื่อมาสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวไม่เกี่ยวกับประเทศชาติไหนไม่เกี่ยวกับศาสนาไหนไม่เกี่ยวกับอายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยวว่าจบอะไรมามีความรู้ความสามารถมหาอะไรไหนนะไม่ได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้เลย เ ว, เวลามเวลาชุดเครื่องแบบไม่ได้พูดถึงบวชไม่บวชไม่ได้พูดถึงจะพูดถึงใครทำใครได้ทันทียกมือสร้างจังหวะรู้สึกตัวยกมือสร้างจังหวะรู้สึกตัวอันนี้เป็นรูปแบบรูปแบบสิี่จังหวะที่เป็นหนึ่งในห้าวิธีที่สามารถให้แผ่ด้วยทั่วโลกเมื่อเรารู้เราไม่บอกกันมันมันไม่แรงน้ำใจขนาดนั้นมันมีแต่ล้นเออพอรู้แล้วว่านีทางออกมันอยู่ตรงนี้ ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวแต่ว่าทําเนี่ยจะต้องแ ย, ยบคายสักหน่อยประเภทนั่งไปคุยไปยกมือไปคุยไปนะประเภทเนี้ยบอกเลยไม่ใช่รู้พูดว่าเ อ, อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วแต่พอสร้างความรู้สึกตัวปั๊บเนี่ยมีอาการต่างๆเช่นง่วงแล้วก็ยกมือไม่ขึ้นอันนี้ก็ไม่ใช่นะบอกเลยไม่ใช่เพราะสติมันจะมีพลังมากลพลังที่เจะออกมาวูบออกมาเนี่ยตรงเนี่ย เราจะได้สัมผัสเมื่อสัมผัสแล้วลืมไม่ลงหรอกเมื่อรู้ครั้งเดียวเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าโอ้มันมีร่องรอยแบบนี้อยู่ด้วยนะเมื่อทําอะไรมันมีความแม่นยําชัดเจนและปัญญามันรู้เท่ารู้ทันในระดับนั้นๆมันจะจําไม่ลืมเลยนะสภาวะร่องรอยภายในจิตใจของเราเนี่ยความคิดเกิดตรงไหนเมื่อเราเห็นแล้วมันจําไม่ลืมนะร่องรอยความคิดสมมติฐานหลังแห่งความทุกข์เนี่ยมันจําไม่ลืมความโกรธในเวลามันมามันยันมาอย่างไง มันจะเห็นแล้วมันก็จะจําไม่ลืมอารมณ์เนี้ยะหรือว่าเวลามันมีอลักษณะของอาการที่เกิดขึ้นที่กายแล้วเวลามันถูกโดดเข้าไปกายมันมีอาการมีเวทนาเนี่ยนะเวลาจิตมันปกตินะมันจะรู้เลยเวลาถูกโดดมันไหลไปยังไงอันนี้มันจะจําไม่ลืมเวลาที่จิตมันออกมาจากอารมณ์ะ นะเสร็จแล้วมันมาเป็นปกติในะเวลามันปกติมันก็จะจําได้ว่าตรงเนี้ยมันคือตรงไหนแล้วมันก็จะจําไม่ลืมแต่เนมะื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วอยห้ยไปทําอะไรได้นะมันก็ปฏิบัติธรรมอะไรมันก็ทํากรรมฐานกรรมมณีโนยะทํากรรมฐา น, รรฐานให้เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาปริสุทธโธอย่างเนี้ยให้เกิดสมาธิโตขึ้นมามีความตั้งมั่นแนว่วแน่กับกายกับใจของเราน เราตั้งมัน่นกับตัวเรามาตั้งมัน่นกับการงานสิ่งอื่นวัตถุอื่นทั้งหมดนั่นแหละมันก็เห็นบุญเห็นบาปเห็นศาสนาเห็นกุศลอกุศลเยมันก็จะเห็นสมมติอะไรคือสมมุติเต็มโลกทั้หมดเลยพวินัยทั้งหลายเป็นสมมติทั้งหมดกรอบกฎกติกามายาในสมมติทั้งหมดอย่างเช่นตอนเนี้ยเราสมมุติสลาหอไตรเนี่ยให้แดนเนี่ยเป็นแดนที่อยู่กันสมมติกันอันนี้มาเป็นความสมมุติเอง เนื่จากเราเคารพสถานที่นี้บอกว่าสถานที่นี้เนี่ยการทําวัดสมนในสําคัญตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยมันเป็นประเพณีปฏิบัติเป็นวัดปฏิบัติของวัดวาอารามซึ่งปูชนียบุคคลนะก็มาทํากันเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าสามีกิจสามีกิจก็คือแล้วนะสิ่งที่มันสมควรทำนะมิฉะั้นชุมชนนี้ก็เสื่อมนะสิได้นำความเสื่อมมาในรูปแบบของแบบเนี้ย ไม่ได้รักษากายมันก็ต้องรู้อยู่ว่ารักษากายนั่นคือสาธารณสุขโรงพยาบาลต่างๆแล้วธรรมชาติบําบัดอย่างเนี้ย น, นะ <c oughs> ก็นี้เมื่ออาศัยสถานที่นี้แล้วคนมากจํานวนสามสี่ร้อยคนเนี่ยจะอยู่ยังไงล่ะทีนี้เพราะสถานที่นี้ไม่ได้จัดมาเพื่อที่จะให้คนมาอยู่ลักษณะนี้ <c oughs> ก็ต้องยอมรับสภาพ <c oughs> แล้วก็สมมติหมให้ข้างล่างเนี่ยนักปฏิบัติ ไปเดินปฏิบัติกันได้เวลาฝนตกนะหรือว่าคนใหม่ๆ ม, มานะกันพื้นที่ให้ปลอดภัยเลยตรงข้างล่างเนี้ยส่วนพระมาก็จํานวนร้อยเมื่อจะทําโยคะก็บอกเออมาทําข้างบนนี้เพอพระก็สมมติว่าหัวโลนกลนคิ้วน้องผม้าเหรือขเป็นทิศบางบทไปไหนจะไปทำข้างล่างโยมเดินโยมอยู่ข้างบนเนอะพระถุงเงี้ยสตรีเพศอย่างเงี้ยก็เลยยอมรับกันในเชิงของสมมติว่าเป็นวัตถุอนามาตอย่างเงี้ยนะ่ ก็เลยเป็นเรื่องต้องแบ่งกันให้ถูกเหมาะสมตามสมบัญญติบัญญัติเพราะฉะนั้นเราอยู่ปฏิบัติกรใช้กันให้เต็มที่นะตอนเช้าหลังจากทําวัดเสร็จสมมติวันเนี้ยนะถ้าเขาจะมีโยคะใครก็ขึ้นมาข้างบนกันนะเราผู้หญิงก็เดินไปลงปฏิบัติข้างล่างสลาข้างล่างก่อนนะอย่างเนี้ยนะแล้วพอรัตน์าสายสายฟ้ามันมองเห็นแล้วก็ลงลานหินโคง้งหาที่ปฏิบัติหรือว่า นะตรงไหนก็ได้ที่มางกับเราเนะนะ้วก็สมมุติกันไ้อย่างเนี้ยยกเว้นเวลาฝนตกเรามาเดินข้างในใต้ถุนนะใช้ข้างบนข้างล่างพระกลุ่มโยคะก็เลิกไปแล้วนะแล้วก็บริหารจัดการเนะีนะ่ยนรถควรจอดตรงไหนคนควรนอนตรงไหนนะสมมติบัญญัติทั้งหมดเลยแล้วเราก็เคารพเนี่ยเราภาวินะัในเป็นทั้งกฎกติกาเป็นทั้งกฎหมาย เ, เป็นทั้งกรอบหรือว่าขอบเขตนะ เป็นลษณะของสังคมนิยมเป็นเรื่องของกติกาที่ตกลงร่วมกันระหว่างคนสองคนขึ้นไปอันนี้คือวินยัยเราตกลงกับตัวเองเช้าสายบ่ายคำ่ำเราใช้ชีวิตอย่างไรตามสถานที่กาลเทศะพวกนี้เราก็ใช้ได้อย่างถูกต้องตามหน้าที่อย่างเงี้ยนะต่อมาคือลัษณะของธรรมะ ธรรมะวินัยคือาศาสนาพุทธาศาสนาพุทธเกิดจากคำอุทานพุโทโธปัโทโธอย่างี้จงเป็นพุทธพุธโทโธนะเป็นคำอุทานคร น, นี้ลักษณะของธรรมะทิมปรากฏกับตัวเราก็คือธรรมชาติตากะทบรูปหูกระทบเสียงภาษ า, าศาสนาเ็าเรียกว่าอายตนาสิบสองภายในหกภายนอกหกเป็นคู่กันทำไมเวลาเราปฏิบัติจะไม่เห็นล่ะง ขณะที่เรากระทบกายเนะยกายก็สัมผัสอยู่กายยวิญญาณไม่เห็นเรื่องไงนมามธรรมไอ้แขนสี่ขันเนี่ยก็กายยวิญญาณนะทําไมาถ้าเรารู้จักกายยวิญญาณวิญญาณของกายมันก็ซ้อนอยู่ในธาตสี่การเคลื่อนการไหวดุ้นก้อนไอ้ความรู้สึกก็ปรากฏอยู่ไม่สุขไม่ทุกข์มันก็มีอยู่นะมันก็สัมผัสได้อยู่แล้วทาไมเมื่อมันเปลี่ยนไปก็คือ มันหลงเผลออย่างเงี้ยมันหลงเผล่ไปไหนอ่ะะเวลาเราตั้งใจที่จะรู้สึกตัวมันหลงเผล่หลงเผล่ไปไหนหลมงปู่เทียนให้จับคู่เลยระหว่างรูปธรรมกับ น, นามธรรมให้เห็นกายสัมผัสแล้วก็เห็นลักษณะของจิตที่เป็นคิดแต่เมื่อมันยังเห็นไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปดูมันในพวกความคิดนามธรรมนะให้มาสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวก่อนที่มัมีมีลักษณะของการเห็นเกิดขึ้นมานะ สภาว่าผู้ดูนะ่ะตาไหนต้องเปิดก่อนชัดๆตาสติตาปัญญาเนะีเพราะนั้นมันมีกําลังของมันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอ น, น, น, น, นไม่ต้องไปพูดถึงว่าวิสนาสอนเรื่อง อ, อ, อะไรบ้างนะเป็นเรื่องของเวลาจะเดินทางสู่การพ้นทุกข์เนี่ยต้องมีโพธิปักขียะธรรมสามสิบเจ็ดประการอย่างเงี้ยนะมีอะไรบ้างต้องมีนะสติปัฏฐานสี่ต้องมีนะ 4, งมล้าหน้าของสมปทานสี่ต้องมีล้าหน้าของ ธรรมที่ทําให้เกิดความไม่เสื่อมอย่างเงี้ยนะต้องมีอะไรมากมายละเกินเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเป็นเรื่องของสมมุติบัญญัติที่เป็นภาษาที่มันจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเราสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวไม่ว่าเป็นที่เราสวดมาสักครู่ก็ตามอายมักมีองแปดอย่างเงี้ยนะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกตัวที่มันจะไม่ให้เราเน่เห็นอาการที่เกิดจากครูธรรมและเกิดจากนามธรรม และก็องค์ธรรมที่พาเราเดินทางนะที่เป็นมักเป็นผลเป็นมักเป็นผลนะก็คือสติศีล ส, สมาธิปัญญาที่มันรวมลงอยู่ในความรู้สึกตัวทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นทำเรื่องเดียวโดวยใช้อีบด ท, นะที่มันมีนั่งเดินยืนนอนหรือว่าหาันซ้ายแลกว่าอะไรก็ตามการเคลื่อนกันไหวอว้วาให้เป็นเป้าหมายของการรึกรู้กายเคลื่อนไหวใจมันก็รู้ ทุกครั้งทุกขณะเป็นไปยังะยางนี้ตรงนี้เราจะเกิดนะการรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาตัวใครตัวเรานะตามที่เราได้เหมือนกับว่าปรารถนาหรือ ว, ว่าเจตนานะที่เข้าวัดเข้าว่าออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องใดเลยแล้ ว, ลวมันจะได้สัมผัสธรรมนะที่เป็นเรื่องของกรรมมาฐานพาทำให้เราสัมผัสธรรมนะ ที่เรียกว่าธรรมชาติธรรมะธรรมะนะก็คือสามัญธรรมดาธรรมดาที่มันมีอยู่แล้วในตัวเราทุกค น, นก็คือความรู้สึกตัวจิตใจที่เป็นปกติเมื่อเราคืนสภาวะจิตของเราที่เคยไหลหลงสู่ความเสื่อมความโลภความโกรธความหลงเพราูมต่ําึ้นนะทวนค่อยๆสูงขึ้นมามีจิตใจดีอายเชื่อกลัวบาปเป็นเทวธรรมขึ้นมามีความเมตาามตาความเมตตาเบิกขาเกิดการปล่อยวางในสิ่งที่ทําขึ้นมา ตัวนั้นก็เรียกว่าพระมีกําลังที่เรียกว่าเป็นพรมัจจันทร์ก็คือบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงตรงนี้แหละพร้อมทั้งอัฏฐอัฏฐะคือความลุกซึ้งในความหมายและก็ภาษาพร้อมทั้งพยัญชนะอัฏฐะและพยัญชนะมันก็เลยกลายเป็นสื่อการบอกการเล่ากันต่อไปสมัยก่อนเชื่อว่าชัดๆเลยไม่มีปฐัยบิดูปไม่มีหนังสือตำรับตาํารา เดี๋ยวนี้หนั ง, นงสือที่มันดับหนึ่งในร้านหนังสือคือเป็นหนังสือธรรมะเมื่อก่อนอยู่หลังร้านเดี๋ยวนี้ออกมาอยู่หน้าร้านหมดแล้วะแถวหน้าหนังสือธรรมะขายดีเันดับหนึ่งคนกานหนังสือกันเมื่อก่อนไม่มีพัฒไตรพิดกเมื่อก่อนก็ไม่มีมันเพิ่งมามีเมื่อ450ปีหลังจากที่ผู้ทรงได้เสด็จดับขันบระ น, นิพพานไปแล้วก่อนหน้านั้นแส่ใสความทรงจําถ่ายทอดกันด้วยสมองสุขสมอง จิตสู่จิตทำสูรทำท่ารู้สู่ท่ารู้ระมีการทรงจํากันสองคนขึ้นไปนเวลาสองคนท่องเหมือนกันถ้าอีกคนมึงผิดก็ต้องมาทบทวนกันใหม่เหมือนกับเวลาพระบวชน่นนะมีพระกรรมอาจารย์สองรูปก็สวดพร้อมๆกันเหมือนเหมือนกันไม่มีการเปิดโพยสวดกันถ้าใครตามไม่ทันหรือใครพูดเสียงผิดหรือว่าหยุดไปก็ต้องกลับมาถอยใ ห, หม่แล้วก็พูดกันต่อไปจะเป็นอย่างนี้นะ สมัยก่อนก็จะมีการสวดมนต์กันก็มาสวดมนต์กันเพื่อสายายธรรมว่าพระเจ้าพูดอะไรบ้างมันก็เป็นที่มาเพราะะฉนั้นลักษณะของการปไปดูธรรมจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องดูตำรับตาํารามาดูกายตรงๆเลยนะนะเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกนะตรงๆตรงไปตร ง, ตรงมาตรงประเด็นเป๊ะเลยนะทําให้เราได้เข้าถึงธรรมตัแต่เบื้องต้นที่เคลื่อนไหวรู้สึกนะ เมื่อเรามีเจตนากำหนดรู้ความรู้สึกมันก็เป็นกรรมฐานาวิริชากรรมฐานจึงทำให้เกิดวิปัสนาญาณขึ้นมาเมื่อมีวิปัสนาญาณก็คือมีสติปัฏฐานสี่เต็มรอบนะวิปัสนาญาณน ะ, นะตรงนี้ก็จะเป็นจักเลยนะเป็นจักเป็นธรรมจักนี่บทลงไปกิเลนก็ถูกย่ำถูกเหยียบถนะึงเราก็ไต่เดินทางสู่การพ้นทุกข์ยกจิตสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้ น, น, นเป็นพระอริยะ ก็คือไกลจากาก้าสึกไกลจากศัตรูนะก็คือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงความรักความชังเกลียดตันห้ากิเกลียดพันห้าตันหาร้อยแปดเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะถูกเยี่ยมเหยียบย่าไปไกลไปทุกทีไกลไปทุกทีห่างไปทุกทีเบาไปทุกทีบริสุดขึ้นไปทุกทีจนทั้งเหมือนกับว่าเราก็มีความรู้สึกว่าคุ้มค่าที่ได้เร า, เราได้เกิดมเป็นมนุษย์ เราพบความจริงที่ศาศนาได้ได้นะเป็นศาสนาเป็นศาสนาของความจริงแล้วก็ชี้ความจริงให้เราได้สัมผัสว่าความทุกข์มันมีเหตุแห่งทุกข์มันมีการก้าวล่วงออกจากความทุกข์มันก็มีโดยเพราะทุกข์ที่เกิดจากความคิดในนี้ตรงไปตรงมาเลยทุกครั้งที่เรากลับมาหาความรู้สึกตัวที่ปัจจุบันขณะนะ้นะว่าจะเป็นเรื่องที่เราจะต้อง เข้าถึงกันในฐานะที่มาอยู่ในวัดป่าสุกโตขนาดเดียวขนาดเดียวขนาดเดียวที่เรามีชีวิตอยู่หายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวกระพริบตาก็รู้สึกตัวนะอะไรเกิดขึ้นกับเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวไดวเพราะเรายิ่งเจตนาทำในรูปแบบนียิ่งชัดเจนแล้วกนะันนี้ให้เราได้เหมือนกับว่าได้ใช้ประโยชน์ถึงกุฎจะมา ก, ก็ตาม เราก็ยายามใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ยิ่งมีคนเยอะๆเนี่ยยิ่งดีนะสำหรับคนที่ปฏิบัติเก่าๆเราจะได้เผชิญกับอารมณ์โดยที่ไม่ต้องออกไปนอกวัดไม่ต้องพาตัวเองไปนั่งรถเมล์รถไฟฟ้าอยู่แถ ว, แถวสวนจตุจักรเพราะที่นี่มันก็จำลองให้เราอยู่แล้วมีจุดช้อปปิง้งมีจุดขายของมันเหมือนอยู่แล้วไม่ต้องออกไปเจอข้างนอกก็มาทาอยู่ข้างในนะ เราก็เดินผ่าฝูงชนไปก็ทําอะไรก็เหลือของเขาเราก็รู้สึกตัวสักตะว่าสักตว่าเห็นสักตะว่าเห็นเี้ยเอามาใช้ได้เลยเมือนมันเห็นแล้วมันเกิดอดใจไม่ไหวมันเกิดบวกบวกล บ, ล บ, ลบๆขึ้นมาก็ดูอารมณ์ข้างในนะที่มันแยงออกมาที่มันค่อยๆก่อตัวเป็นไม่ขีดหัวเดียวนะ เ, นเดี๋ยวๆค่อยๆจนกระทั่งเราลืมตัวถูกดูดนะถ้าออกไปถูกดูดถอยกลับมาอยู่ใ น, นนี้แดนนี้นะ อยู่ในแดนที่สงบจากรูปรถกินเสียงผัธภาธรรมลมเนีนะออกมาหลบถือว่ามาไห้น้ําในสาไว้ก่อนถ้าเห็นว่าเข้มแข็งดีอา้าวออกไปเจอกันใหม่คลื่นมันเยอะนลมมันแรงนะถ้าผ่านก็จะรู้แล้วโอ้มันผ่านแล้วผ่านแล้วฟังเสียงเขาพูดก็ไม่เป็นไรกระทบกับกิกริยาการของคนหลากหลายก็ไม่เป็นไรหรือบางทีนะละน้ําอาจจะไม่ไหลไฟอาจจะดับก็ได้ เราก็รู้สึกมันไม่เป็นไรอย่างเงี้ยให้มันเกิดขึ้นมาให้ได้แต่ถ้ามันเกิดไม่ได้ให้กลับมาหาฐานเดิมกายกันไหวใจรู้ในรูปแบบไว้ก่อนเงี้ยก็จะเกิดความปลอดภัยเป็นอนุบาลเป็นมาถมเป็นมนยมเป็นอุดมอะไรเงี้ยกลายเป็นเรื่องของเราที่เราจะรู้เราใช้สิ่งแวดล้อมใช้เหตุการณ์ที่มังปรากฏมาให้เกิดอยู่สูงสุดเลย นะอันนี้เราคือการปฏิบัติตำกลับมาหาธรรมชาติเดิมๆของเราโดยที่ไม่ไปแบนเขาเขาเราเราอะไรเงี้ยให้รู้สึกตัวมันนำํำนเะคลื่อนไหวรู้สึกเคลือไไค่อนไหวรู้สึกไปไหนมีเคลื่อนไหวรู้สึกไว้ก่อนนะการเคลื่อนการไหวตอ น, นนั้นเราจะทําประโยชน์กับร่างกายของเรากับจิตใจของเราก่อนเป็นประโยชน์ตนต่อไปอย่างนี้นะเอาละอามาก็เห็นว่าพูดมาจนสมควรแก่เวลาก็ขอให้เราที่ มารวมตัวกันที่วัดป่าสุกตอเนีนะโดยเฉพาะอยู่กับชาวจีนเนี่นะเคยเห็นว่าชาวจีนเขาข้ามน้ําข้ามทะเลมาของเราก็อยู่ใกล้ๆแล้วก็ได้มาอายอยู่ในชุมชนนี้แล้วก็เรียกว่าอาปโยชน์ให้ถึงที่สุดนะก็ขอใหนะ้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านะเกิดแล้วนะของประโยชน์ต่อโลกนะเนื่องจากเรารู้สึกตัวจนเกิดการพัฒนากันมาตามสมควรแก่การเวทธรร ก็ขอให้การปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายก็จนไปเพื่อการพัฒนาจิตจนทั้งเดินทางสู่การพ้นทุกข์ตามสมควรแก่การปฏิบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถอ